อาจารย์เรียนธรรมะได้ดีที่สุดเลยนะเราต้องเป็นแบบอย่างให้เด็กสังคมเราทุกวันนี้มันไม่มีศีลไม่ธรรมีสังคมเบียดเบียนกันรุนแรงเด็กๆก็เห็นแต่ตัวอย่างที่ไม่ดีผู้ใหญ่ก็เอาเปรียบกันแย่งชิงไม่มีศีลมีธรรมไม่มีกฎหมายบ้านเมืองอะไรไม่มีหมดเลย ผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเนี่ยถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆนะั้่เห็นแต่เรื่องอย่างนี้จนเคยชินต่อไปก็แย่ยอมรับสิ่งทึ่ไม่ถูกต้องคนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมันเปลี่ยนไปใครจำนายกสัญญาได้ไั้มนายกสัญญาธรรมศักดิ์นายกสัญญาโอ้อยู่ ก่อนตอนเป็นนายกไม่ได้อยู่ตึกไทยคู่ฟ้าอยู่ตึกเก่าที่ตั้งสภาความมัน่นคงหลังสภาความม่ย้ายี่อยู่เจ้ปอ ร, รออยู่แบบปอนๆมากเลยมีวันหนึ่งเด็กฮิ <Okay. S 1> ้วตะกร้าหนังสือฮิ้วถุงหนังสือไปขายนะตอนปิดเทอมมันเดินเข้าไปจน ถ, ถึงห้องนายกได้แปลก ไปเจอนายกสัญญาบอกลุงช่วยซื้อนังสือหน่อยลุงก็ซื้อนังสือนะอันไหนหนังสือธรรมะลุงก็ซื้อจริงๆลุงสัญญามาตรฐานท่านสูงมากท่านบอกเลยว่าคอมมิชชั่นคือคอร์รัปชันแค่คอมมิชชั่นนะก็ถือว่าคอร์รัปชันนแล้คอมมิชชั่นนี่มันต้องไปบวกเข้าไปในต้นทุน มาหลังๆก็เปลี่ยนคอร์รัปชันก็ได้ถ้ามีผลงานอย่างนี้คือมาตรฐานศีลธรรมนี่มันเสื่อมลงด้วยนี้เด็กก็ได้รับการปลูกฝังอะไรก็ได้น่ะให้ให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ววิธีการอะไรก็ได้อันนี้ชาวพุทธใช้ไม่ได้วิธีนี้ชาวพุทธนอกจากเป้าหมายถูกต้องดีงามแล้ววิธีการต้องถูกต้องดีงามด้วย ไม่ใช่ตั้งเป้าไว้ดีแล้ววิธีการเลวก็ได้ไม่ไดนะ้ไม่ใช่วิธีของชาวพุทธในสังคมเราเนี่ยความรู้สึกแบบนี้มันถูกปลูกฝังเข้าไปนะอาจารย์มาเรียนธรรมะนะมีความสุขให้เด็กมันเห็นนะมีชีวิตที่เรียบง่ายให้เด็กมันเห็นอาจารย์ฟุ้งเฟอ้ออาจารย์เตลิดเปิดเปิงไปกับโลกอนะไรองี้ ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเท่าไรหรอกส่วนพ่อแม่ของเด็กนั้นไม่ได้เจอกับเด็กแล้วทุกวันนี้เป็นตัวอย่างอะไรไม่ค่อยได้หรอกเด็กยังเห็นอาจารย์มากกว่าเห็นพ่อแม่เราะฉนั้นเราทตัวเป็นพ่อแม่ระบบของพระเนี่ยครูบาอาจาร ย, ย์เป็นพ่อแม่ครูบอาจารย์เลี้ยงด้วยนะเลี้ยงลูกด้วยเลี้ยงลูกเิร็์ไม่มีกินต้องหาให้กิน เจ็บไข้ต้องดูแลอะไรเนี่ยเป็นระบบเป็นตัวอย่างให้ดูมีชีวิตที่เรียบเรียบง่า ย, ายในธรรมวินัยนี่ถ้าอาจารย์มีธรรมะนะพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติไปจิตใจของเราสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นพฤติกรรมของเราก็จะเปลี่ยนแปลงเด็กมันก็จะมองเห็นว่า อาจารย์คนนี้ร่มเย็นหนอย่างน้อยก็เห็นตัวอย่างของคนดีๆบ้างถ้าเขามีบุญวาสนาเขาสนใจขึ้นมาก็าจะมาถามอาจารย์ทำไงใกล้กเกษียณแล้วยังดูผ่องใสมีโอกาสก็แจกธรรมะให้เขาทุกวันนี้ระบบการศึกษาของเรานะหลวงพ่อมองว่ามันล้มเหลวเลย สมัยก่อนระบบการศึกษาหยุดในวัดพระไม่ได้สอนวิชาการอย่างเดียวพระสอนศีลธรรมใช่ไหเดี๋ยวนี้สอนแต่วิชาการอย่างเดียวคุณธรรมอะไรไม่สนใจกันเราเลยได้คนเก่งที่ชั่วเยอะเลยสังคมจะถึงย่ำแย่นี่ถ้ามันชั่วมากๆ ม, มันอยู่กันไม่ไหวคนมันก็จะเริ่มหวยหาคุณงามความดีขึ้นมาอีก เนี่ยมันเจริญแล้วมันเสื่อมมันเสื่อมแล้วมันก็ต้องเจริญจนได้อีกแล้วพวกเราก็มาเตรียมตัวรับเวลาที่ควรจะสนใจการปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นนะมันทุกข์เต็มที่แล้วค น, นก็ต้องหาทางออกฝรั่งพัฒนามาก่อเรานะเศรษฐกิจอะไรเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเพราะว่าไม่มีความสุขก็เริ่มหาสิ่งซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจ คนไทยก็เป็นธาตุความคิดธาตุความรู้ของฝรั่งนี่ฝรั่งเขาเริ่มหาคุณค่าทางจิตใจแนละ้วเดี๋ยวเราคงหาบ้างแค่อ่านหนังสือท่านเจ้าคุนไปยุทธ์เล่มหนึ่งบอกนักวิชาการไทยนี่ไปเรียนจากต่างประเทศยุโรปหรืออเมริกาจำไม่ได้แนละ้วแล้วก็ไปได้คํามาคมาําว่าจักรวาทินจักรวาทินนะบอกว่าเนี่ยเป็นหลัก การบริหารชั้นยอดเลยเลิศมากเลยศาสตราจารย์นั้นคิดกันมาท่านคนไทยก็แตกตื่นจากกรวาทินกันท่านเจ้าคุณปยุทธตท่านดูมันเรียกผิดอ่ะ ท, ที่ถูกมันคือจั ก, กรวติดีวัดคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเรื่องว่าพระเจ้าจักรพรรดิต้องทําอะไรบ้างเป็นผู้บริหารผู้ปกครองต้องทําอะไรบ้าง ถ้าบอกว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะคนไทยก็เฉยๆนะถ้าคำสอนของฝรั่งนะโอ้โหแหมมันลึกซึ้งของเราประณีตกว่าเยอะเลยเนี่ยเราหลงโลกไปเราตามคนอื่นแบบไม่ลืมหูลืมตานะจะไปโทษเด็กก็ยากผู้ใหญ่มันหลอกเด็กยิ่งเด็กโง่ก็ยิ่งขายของง่ายแถมซื้อมันบริโภคมันไม่ได้หากินเอง มันอยากได้น้นได้นี่ไม่ไม่ต้องไปคิดมากพวกผู้ใหญ่หากินเองก็คิดมากก็อาจจะซื้อแต่และอย่างเด็กมันเป็นเหยื่อนะอาจารย์ก็ช่วยเด็กหน่อยอาจารย์อย่าเป็นเหยื่อซะเองอาจารย์ศึกษาธรรมะให้เข้าใจเอาธรรมะไปใช้ในการดํารงชีวิตจริงๆมีชีวิตที่สะอาดมีชีวิตที่มีความสุข ให้เด็กมันเห็นอย่างน้อยเขานึกถึงอาจารย์คนนี้แล้วใจเขารู้สึกร่มเย็นขึ้นมา mm hmm. ก็ได้ผลละเขายังรู้สึกว่าความร่มเย็นในโลกยังมีอยู่ไม่ใช่ไปที่ไหนเขามีแต่ความร้อนอ า, อาจารย์มาเรียนนะหลวงพ่ออนุโมทนาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมาเรียนดีแล้วละมีความสุขให้เขาดูให้ได้มีความดีให้เขาดูให้ได้ การปฏิบัติทำนะจุดสําคัญมันไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบของการปฏิบัติรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยคนแต่ละคนนะเหมาะไม่เหมือนกันบางคนนะอาจจะต้องใช้สมาธิก่อนฝึกสมาธิบางคนต้องเดินปัญญาก่อนนะบางคนกนะ็เก่งฌานด้วยเก่งดูจิตด้วยอันนี้ก็ไปทําสมาธิและปัญญาควบกันได้ปัญญาสมาธิปัญญาควบกันเนี่ย ต้องเก่งสองอย่างนะเก่งฌานนะอย่างหนึ่งเก่งดูจิตอย่างหนึ่งไปดูกายไม่ได้เรื่องเลยนะเพราะว่าเวลาเดินปัญญาในฌานเนี่ยเราจะดูความเกิดดับขององค์ฌานซึ่งเป็นนมามธรรมต้องต้องดูจิตนะถ้าดูกายเราก็จะได้อย่างเดียวก็นะจะใช้สมาธินำปัญญาดูจิตเนี่ยจะใช้ได้หมดเลยนะแต่ว่าถ้าใช้สมาธิก่อนแล้วก็ดูจิตยาก ให้ปัญญานำสมาธิาไปพอสมาธิามันเกิดแล้วหรือบางคนมีฐานเดิมดีแต่ชาติปางก่อนทำสมาธิามาเนีม่มาเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์นะจิตเด่นดวงขึ้นมาได้สมาธาิอัตโนมัติขึ้นมาอีกก็ไปเดินปัญญาและสมาธิาควบกันได้นี่อย่างบางคนจะดูกายการดูกายต้องทำสมถา ก, ก่อนการดูจิตเนี่ย ใช้ปัญญานำไปเลยดูความเปลี่ยนแปลงดูความเป็นไตรลักษณ์ไปเลยไม่เหมือนกันถ้าเราจะดูจิตเราไปเข้าสมาธิก่อนจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งไปหมดเลยกลายไปเพ่งจิตเพ่งจิตเป็นสมถะเพ่งกายก็เป็นสมถะนะเพ่งจิตก็เป็นสมถะดูกายเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิหนุนหลังเนี่ยจิตจะไม่มีแรงพอจิตจะเคลื่อนเข้าไปนิ่งนิ่งอยู่ในกาย ยกตัวอย่างไปรู้ลมหายใจเราจะดูกายที่หายใจว่าไม่ใช่ตัวเราเราไม่สามารถดูกายที่หายใจว่าไม่ใช่ตัวเราได้พอเรารึกเราลึกถึงร่างกายที่หายใจอยู่จิตจะไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจเลยจิตเคลื่อนไปละจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าจิตไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูไม่เป็นผู้เห็นนะจิตไหลเข้าไปรวมกับลมหายใจไปดูท้องพองยบจิตไหลไปอยู่กับท้อง เดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าจิตกับร่างกายไปรวมเปน็นอันเดียวกันนะจะไม่มีทางเห็นความเป็นไตรลักษณ์เลยถ้าจะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูแต่ถ้าสมาธิเราไม่พอนะพอไปดูร่างกายหายใจจิตจะไหลเข้าไปอยู่ในลมหายใจ้เป็นนิ่งอยู่กับลมหายใจเป็นสมถะกรรมฐานไปเลย นั่นก่อนที่จะดูกายเนี่ยต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นจริงๆ จ, จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆสมาธินั้นแปลว่าความตั้งมั่นแต่พวกเรารุ่นหลังนะัมักง่ายไปแปลสมาธิว่าสงบสมาธิคือความตั้งมั่นตั้งมั่นของอะไรตั้งมั่นของจิตมันตั้งอย่างไรจิตมันตั้งมั่นขึ้นมานะทำหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นนะ ธาตุขันธ์ทั้งหลายนั้นเป็นตัวแสดงละครให้ดูเช่นร่างกายมันหายใจจิตมันเป็นคนดูอยูนะ่มันจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่หายใจอยู่นั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่หายใจอยู่นั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่วัตถุธาตุมันจะเห็นนั้นโดยไม่ได้คิดเอาถ้าคิดเอาไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาคือปัสชนะคือการเห็น วิภาวาแจ้งมีปัสนามีปัสนาการเห็นได้ถูกต้องคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามขันหานั่นเองไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์ถ้าคิดมันเป็นเรื่องวิตกไม่ใช่วิปัสนาคนละตัวกันนะเมื่อมีปัสนาแท้ๆเนี่ยจิตจะเป็นคนเห็นงั้นเราต้องพัฒนาจิตให้มีคุณภาพที่จะเป็นผู้เห็นให้ได้เสกีก่อนจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นเนี่ย ตรงข้ามกระจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู ني, ้แต่งเมื่อไรจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตก็ไม่ใช่ผู้รู้ผู้เห็นไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตเป็นผู้คิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดเลยเพราะฉนั้นจุดนี้เป็นจุดแรกที่ผู้ปฏิบัติ ที่หวังมารคผลนิพพานในชีวิตนี้จะต้องฝึกให้ได้ไม่ยากเท่าที่คิดหรอกเพียงแต่จิตของคนทั่วไปเนี่ยมันหลงอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันทั้งคืนหลงมาตั้งแต่เกิดเลยหาคนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแท้ๆนั้นหายากมางมีแต่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนั่นเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยวิธีรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิด หัดพุทโธก็ได้หัดดูลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้ทํากรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งก่อนต้องทํานะอยู่ๆจ่อยู่ฉันจะเป็นผู้รู้มันจะกลายเป็นผู้หลงมันไม่ใช่ผู้รู้จริงมันต้องมีบ้านให้จิตอยู่มีวิหารธรรมให้จิตอยู่จะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับท้องพองยุบอยู่สัมมาละหังน้ำม้าพาทาอะไรก็ได้นำโมไตชื่อใตปุยอะไรก็ได้นะอะไรสักอย่างหนึ่ง ให้จิตมันมีเครื่องอยู่แล้วก็คอยรู้ทันจิตไม่ใช่น้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่กับเครื่องอยู่อันนั้นเวลาเรารู้ลมหายใจนะไม่ใช่น้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่กับลมหายใจนั่นไม่ใช่สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นแต่จิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจถ้าจิตเคลื่อนไปนี่ใช้ไม่ได้แล้วได้แต่ความสงบเฉยแต่ไม่ได้ความตั้งมั่นงั้นเบื้องต้นทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะ พูดโทก็ได้หายใจก็ได้พองยุบก็ได้อะไรก็ได้ที่พวกเราคุ้นเคยที่ทําเราสบายใจทําเราเครียดไม่เอาคนอื่นเขาพองยุบแล้วเขาดีเราก็อยากเอาอย่างเขาอะไรงี้ไม่ดีตามเขาหรอกต้องดูตัวเองแต่ละคนทํากรรมฐานไม่เหมือนกันทางใครทางมันงั้นหะลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อจะสอนหลักของการปฏิบัตินะรูปแบบพวกเราต้องไปหาเอาเองว่ารูปแบบอะไรเหมาะกับเราเอง ทำแล้วสติเกิดบ่อยทำแล้วจิตตั้งมัน่นทำแล้วแยกธาตุแยกขันธ์เกิดปัญญาได้ไปดูเอาเองไม่สําคัญหรอกนะไม่ใช่ว่าพองยุบไม่ดีพุโทโธดีอะไรไม่ใช่นะทํากรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็รู้ทันจิตพุโทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจไปรู้ทันจิตดูท้องพองยุบไปแล้วรู้ทันจิตการที่เราคอยรู้ทันจิตเนืองๆนี่แหละ คือบทเรียนของพระพุทธเจ้าบทที่2ที่ชื่อว่าจิตสิกขานะในใจสิกขาก็มีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาศีลที่พวกเราต้องรักษาศีล5ไว้ก่อนนะแล้วก็พยายามมีสติรักษาจิตไว้อะไรกิเลสอะไรแทรกเข้ามาในจิตรู้ทันนะกิเลสจะดับไปศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นแล้วก็มาฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะมาฝึกจิตให้ตั้งมั่น พุโทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตดูท้องพองยุบแล้วรู้ทันจิตนี่เรียกว่าจิตศิกขาถ้าเราจเจริญจิตศิกขาแบบนี้สิ่งที่เราได้มาคือสมาธิที่ถูกต้องสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อ30ปีก่อนหลวงพ่อตระเวชเข้าหาครูบาอาจารย์หลาย10องค์เลยนะทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสาน ตะเวนไปมากเลยครูบาอาจาร์เข้าไปวัดไหนนะท่านพูดแต่คําว่าผู้รู้บางองค์นะเจอหน้าหลวงพ่อนะหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมเจอหน้าหลวงพ่อเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยท่านไม่รู้จักชื่อเรามีบางองค์นะไม่ได้บอกชื่อท่านรู้เองท่านไม่อยู่แล้วบอกได้ท่านอาจารย์บุญจันทร์อัศาจรรย์มากเลยไม่ต้องบอกไม่เคยบอกอะไรเลยไม่เคยรู้จักเลย ไปเจอกันก็ตอนดึกหน้ายัางมองไม่เห็นเลยถ้ารู้เนี่ยแต่ก่อนนะเข้าไปหาครูบาอจารย์องค์ไหนทนะ่านพูดแต่คำว่าผู้รู้เดี๋ยวนี้ไปพูดแต่เสื้อนิมิตไปนั่งแล้วเห็นอะไรบ้างอนะ่ะอะไรเงี้ยไรสาระที่สุดเลยเรื่องนิมิตเรื่องจิเลเหลอกของเรื่องผู้รู้เรื่องจิตเรื่องใจของเราสําคัญครูบาอจารย์แต่ก่อนย้ามากเลยวนะ่าต้องถึงจิตถึงใจจริง หลวงปู่โดนสอนนะต้องให้เข้าถึงจิตนะต้องถึงจิตถึงใจจริงๆหลวงปู่เทศสอนนะว่าการปฏิบัตินะั้นนะถ้าไม่เข้าถึงจิตถึงใจแล้วไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัตินะเนี่ยท่านย้าอยู่ตรงนี้ทุกองค์ทุก อ, อ, องนะทัง้งอาจารย์มหาบัวนะใครบอกว่าท่านดูกายท่านแอนตี้ดูจิตไม่จริงหลวงพ่อดูจิตเข้าไปหาท่านสอนดูจิตต่อซะอีกบอกเลยว่าที่เราดูจิตตอนเนี้ดูไม่ถึงละเนี่ยบอกอย่างนี้ซะอีก ที่ว่าดูจิตดูจิตดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญที่สุดนะเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองอะไรอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้บริกรรมพุทโธพุทโธนะจิตเคลื่อนเอารู้ทันนะเมื่อเข้าถึงจิตจิตต้องตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะนั่งสมาธิก็เคลมจิตไหลหไปรวมกับโมหะไม่ได้อะไรขึ้นมาเมื่อสักสาสิปีก่อนหลวงพ่ไปภาวนาวัด แข่งนึงนะกลางคืนเนี่ยทั้งโยมทั้งพระเนี่ยไปนั่งสมาธิกันในโบสถ์เนี่ยเต็มโบสถ์เลยไม่พอนั่งนะมไปนั่งอยู่ลานโบสถ์เนยเยอะเลยที่เดินจงกรมอยู่รอบๆอบอีกเยอะเลยเดินเข้าไปดูจะไปนั่งกับเขาบ้างโอ้ไม่มีที่ดูดูไปนะเออเขาไม่ได้ปฏิบัติใจนึกอย่างนี้นะไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยมีแต่ไปนั่งเคลิ้มว่างนั่งบังคับตัวเองแบบเครียดเครียดบ้างมี2องพวง ถ้าไม่เผลอเคลิ้มไปเลยนะก็เครียดเครียดดูแล้วพวกเคลียบนะคร บ, ครบสองชั่วโมงเลยนะึกว่าวันนี้สมาธิดียางเลยทำจริงสลบไปสองชั่วโมงอีกพวกหนึ่งก็นะเครียดจัดจะบังคับจิตตลอดเลยนะดูแล้วโอ้ไม่มีใครปฏิบัติเลยในใจนี่นะไม่ดีนะใจหลวงพ่อแหละไม่ดี ไปเห็นเขานละ้วไปวิจารณ์เขาในใจนะไม่ยไม่ออกปากนะแทนที่จะดูของตัวเองนะพาไปดูเขาพอเช้าขึ้นมาตามคุณป้ะคนอื่ น, นเอาดอกไม้เข้าไปถวายหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านก็รับถวายท่านก็หันมามองหน้าหลวงพ่อแนละท่านก็ยิ้มบอกวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วแหละโอ้โหเหล่านี้นะ สะใจมากเลยในการปฏิบัติเนี่ยเดินให้ถูกทางอยู่ในทางสายกลางจิตต้องถูกจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันจะไม่สุดโต่งไปสองฝัง่งฝั่งที่หนึ่งเพลิดเพลินหลงตามอารมณ์ไปเช่นนั่งแล้วก็เริ่มตามอารมณ์ไปไอ้นี่ย่อหย่อนไป หรือนั่งไปแล้วเห็นสวรรค์เห็นอะไรตออะไรหลวงพ่อตอนเด็กไันนั่งออกไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรนรกไม่ไปดูสิเลือกนะกลัวผีไม่ใช่อะไรหรอกลืมไปว่าเทวดาก็ผีเหมือนกันจิตออกนอกนิมงนิมิตอะไรพวกนี้เล่นมาตั้งแต่เจ็ดขวบแนละ้วอันนี้ย่อหย่อนเกินไปตามใจกิเลสนักปฏิบัติที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยจิตไม่ย่อหย่อน อ่อนแอไหลตามกิเลสกรนะทั่งเราหัดพุทโธพุทโธนะจิตเคลื่อไปกับพุทโธอันนี้หย่อนไปขณะที่เรารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจอันนี้หย่อนไปนะจิตมันไหลเคลื่อไปอยู่กับลมนะดูท้องพองยุบจิตก็เคลื่อไปอยู่ที่ ท, ท้องอันนี้ก็ยังหย่อนไปหรือเคลื่ไปคิดเรื่องอื่นเคลื่อไปฝันเคลื่อไปเกิดนิมิตอันนี้หย่อนไปทั้งหมดเลย ไม่ใช่จิตผู้รู้หรอกจะเป็นจิตผู้หลงจิตผู้เผลอนะความสุดตรงอีกชนิดหนึ่งก็คือการกดข่มบังคับตนเองโดยเฉพาะการบังคับจิตตัวนี้นักปฏิบัติเป็นมากนะคนทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัตินะมันจะสุดโตรงไปข้างหลงใจมันจะหลงตลอดเวลานะเดี๋ยวหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะนักปฏิบัติที่ไม่เอาไหนนั่งสมาธินั่นก็หลงนิมิตหลง ไหลไปน่นไหลไปนี้นะไหลไปอยู่กับลมเลยใจเคลิ้มๆใจอ่อนแออันนี้สุดตรงข้างหลงสุดตรงข้างเพ่งอีกสุดตรงคือข้างบังคับตัวเองพุทโธก็บังคับจิตไม่ให้เคลื่อนที่หายใจนะก็บังคับจิตไม่ให้เคลื่อนที่บังคับให้มันนิ่งอยู่กับลมหายใจบังคับลูกเดียวเลยดูท้องพองยุบนะก็บังคับจิตให้อยู่ที่ท้องไม่ให้ไปไหนเลยการบังคับกดข่มจิต ขมมากมากนะถ้าขมพอดีพอดีก็สงบได้นะเข้าทำสมถะได้ถ้าขมแรงไปก็ทุกข์ทรมานะถ้าทุกข์มากขมมากทุกข์มากขมมากนะสุดขีดเลยนะจิตทนไม่ไหวจิตจะดับลงจิตจะดับลงจิตจะพลิกเข้าไปสู่พบที่เรียกว่าปล่มลุกฟักนะสัญยสัตตาอสัญยสัตตาตรงนี้แหละบางคนคิดว่าเข้านิพพานนิพพานอะไรอย่างนั้น นี่ผ่านอนาถาเลยอย่างนั้นนะมันเป็นสันญีจิตดับไม่มีจิตไม่มีเจตสิกนะไม่ล้างกิเลสเป็นที่ที่พระโพธิสัตว์ไม่ไปเกิดด้วยซ้ำไปเพราะสร้างบา ร, รมีก็ไม่ได้นะงั้นเราต้องระวังระวังอย่าให้จิตสุดตรงไปสองฟังสุดตรงข้างไหลตามกิเลสไปอ่อนแอท้อถอยเคลือบเคลิมลืมเนื้อลืมตัวจะสุดตรงข้า ง, บ, างบังคับจะเปนเครียด อย่าให้สุดตรงไปสองฝั่งนี่แล้วทำยังไงมันจะพอดีพอดีทำไม่ได้จำไว้นะพอดีทาไม่ได้นะให้รู้ทันตรงที่มันไม่ถูกอะ่ะแล้วมันจะถูกเองให้รู้ทันความไม่พอดีนะแล้วจิตมันจะปรับเข้าสู่ความพอดีเองวิธีที่จะจัดการไม่ให้จิตเคลิมไปนะหาเครื่องอยู่ให้จิตก่อนพุโทโธพุโทโธนะเนี่ยวิธีปฏิบัติไม่ให้สุดตรง2ฝั่งเลย ก็คือหาเครื่องอยู่ให้จิตพุทโธพุทโธไปก็ได้หาย ใ, ใจไปก็ได้แต่พุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปจิตที่ไหลไปเคลื่อนไปเนี่ยเป็จิตที่อ่อนแอลงตามกิเลสแล้วนะแต่เราไม่ได้พุทโธพุทโธเพื่อบังคับจิตให้อยู่กับพุทโธถ้าพุทโธเพื่อบังคับจิตให้อยู่กับพุทโธอันนี้ตึงเกินไปเรารู้ลมหายใจนะจิตไหลไป อ่อนแอไหลไปอยู่กับลมแล้วเคลิ้มเคลิ้มอยู่ก็ได้ไหลออกนอกไปไปคิดอะไรปรุงไปฝันก็ได้ไปนิมิตก็ได้อันนี้อ่อนแอไปให้รู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วพอรู้ทันว่าจิตไหลไปจิต้ะตั้งมั่นขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันพอรู้ลมหายใจนะจิตไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจเชินกระทั่งจิตกระดุกกระดิกไม่ได้ก็ให้รู้ทันว่าตึงเกินไปแล้วงั้นอาศัยเครื่องอยู่อย่างหนึ่งนะ แล้วก็คอยรู้ทันจิตอ่อนแอเกินไปรู้ทันจิตกระด้างเกินไปรู้ทันนะตั้งแต่เด็กหลวงพ่อฝึกอนาปนาสตนะิ22ปีฝึกแต่สมถะขึ้นวิปัสนาไม่เป็นเลยไม่รู้วิธีฝึกสมถะได้จากท่านพ่อรีอรโสกรรมนะตฉะนั้นเด็กเจ็ขวบเองไปเรียนพ่อพาไปนะทำสมถะ ขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นนะหลวงพ่อเล่นลมหายใจตนะั้งแต่เล็กต่อมาเริ่มจับหลักได้หายใจนะรู้ลมหายใจลมมันทีแรกมันจะยาวนะหายใจทีแรกลมมันจะลงไปถึงท้องน้อยเราก็หายใจสบายไปเรื่อยหายใจอย่างผ่อนคลายเนี่ยลมความรู้สึกนะว่าลมมันจะยาวจะลงไปที่ท้องนั้นในพระไตรปิฎกจะเริ่มต้นด้วยลมยาว ดุกะพิกสูทั้งหลายให้เธอคู่มันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้านะหายใจออกยาวให้รู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้หายใจเข้ายาวเริ่มต้นจะยาวนั้นถ้าเราหายใจอย่างผ่อนคลายจะรู้สึกว่าลมนี้ยาวไปถึงท้องเลยพอจิตสงบข้ะนะอย่าไปบงังคับจิตนะแค่รู้ลมไปอย่างสบายสบายจิตหนีไปแล้วรู้ทันรู้ลมไปอย่างสบายจิตหนีไปแล้วอย่างรู้ทันไม่ไปบงังคับจิตให้นิ่งอยู่กับลม จิตยังเคลื่อนที่ได้จิตมันถึงหนีไปได้ถ้าบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนที่ไปจากลมเลยนั้นตึงเกินไปถ้าจิตเคลื่อนไปจากลมแล้วไม่รู้ทันอันนี้หย่อนเกินไปนี่หลวงพ่อรู้ลมหายใจจนลมมันเจะตื้นขึ้นเรื่อยๆนะพอจิตเราสงบเนี่ยลมจะละเอียดขึ้นได้สุดท้ายมันมาอยู่ที่ปลายจมูกกลายเป็นแสงสว่างนะลมหายใจจะแปรเป็นแสงสว่างตัวลมหายใจนะั้นเรียกว่าบริกรรมนิมิตแสงสว่างที่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าอุคาหะนิมิต ถ้าฝึกไปเรื่อยนะมันใหญ่ให้แผ่ให้ใหญ่ขนาดไหนก็ไปทำได้นะยอดได้ขยายได้เนี่ยเรียกว่าปฏิภาคนิมิตรนี่พอทำมาถึงเป็นแสงสว่างนะหลวงพ่อก็อยู่กับแสงแล้วถ้าจิตหนีไปรู้ทันนะจิตทื่ๆเพ่งๆอยู่รู้ทันหายใจไปแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่หายใจแล้วให้จิตนิ่งอยู่กับลมไม่ใช่หายใจแล้วเคลิ้มลืมลมหายใจไป เรหายใจแล้วก็รู้ทันจิตเนี่ยเปนอยู่ตรงนสว่างขึ้นมานะจิตเคลื่อนไปเรารู้นะงั้นเราทํากรรมฐานอย่างหนึ่งนะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตไปนี่แหละคือบทเรียนชื่อจิตตสิกขาถ้าปราศจากจิตตสิกขาจะเจริญปัญญาไม่ได้เด็ดขาดเลยจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องมีแต่มิจฉาสมาธิบางคนคิดว่านั่งสมาธิสงบเป็นนานๆแล้วจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกเกิดไม่ได้เด็ดขาดเลยสมาธิ สงบกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นนั้นคนละเรื่องกันเลยนะคนละชนิดกันเลยอันนั้นมันเป็นสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกแต่สมาธิตั้งมั่นเนี่ยมีอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าพุโทโธแปลว่าอะไรล่ะก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือพุโทโธะก็คือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละนะนั่นเราต้องมาฝึกจิตตัวนี้ให้ได้เสีย ก, ก่อนเมื่อฝึกได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วนะเจริญปัญญา ดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตตสังขาร น, นะหรือดูกระบวนการทำงานของจิตก็ได้คือธรรมานุปัสสนานะะดูอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดสติประธานสนะีเหมือนประตูสีทิศที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานเข้าประตูใดก็ได้นะไม่ใช่ต้องเริ่มจากกายนะนั่นเป็นคาสอนอัตโนมัติลนะ้ที่ว่าต้องเริ่มจากกายแล้วต้องจบ ต้องดูจิตอะไรเงี้ยอันนั้นคิดเราเองถ้าจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วดูกายเนี่ยมันจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเรานีมันเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่ตัวเรารู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนะไม่ใช่ดูกายแล้วเห็นแต่กายไม่มีจิตจิตเป็นคนไปนดูกายต่างหากดูเวทนาก็จะเห็นใน เ, เวทนาเนื่องด้วยกาย ก, ายก็มี เ, เวทนาเนื่องด้วยจิตก็มี เขารู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตอีกใช่ไหมจิตเป็นคนดูนะดูสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงนะเกิดจากสัญญาตรึกในอารมณ์เก่าก็ได้เกิดจากตาหูจมูกลิ้นใจกระทบอารมณ์ใหม่ก็ได้นะไปมองเห็นคนนี้โทสะก็เกิดไปได้ยินอย่างนี้โทสะก็เกิดเห็นไหมกายกับใจมันเนื่องกันเพราะฉะนั้นดูจิตก็เห็นกายนะดูกายก็เห็นจิตถ้าดูเป็น ถ้าดูกายเห็นแต่กายอันนั้นคือการเพ่งกายถ้าดูจิตเห็นแต่จิตคือการเพ่งจิตไม่ใช่วิปัสนาหรอกนะรูปนามมันจะแยกออกมาจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูมันเห็นร่างกายทํางานอยู่นี่เห็นเคลื่อนไหวอยู่ตอนหน้าต่อตานี้นะไม่มีคนไม่มีคนไม่มีสัตว์มันรู้สึกนะไม่ใช่คิดเอาคิดเอาเป็นวิตกไม่ใช่วิปัสนาจนะารู้สึก จะเห็นแจ้งเลยเห็นจริงไม่ใช่ขนหรอกเนี่ยไอตัวที่พยักหน้าเนี่ยแต่อย่าจ้องแข็งนะถ้าแข็งเกินไปอย่างนี้เกินไปสุดโตงไปข้างตึงต้องฝึกจิตให้ถูกซะก่อนนบางคนย่ยแปลงฟันนะตึงเกินไปไ ม, มันผิดธรรมชาติพู้เจ้าไม่ได้สอนให้เสียแซงนะท่านให้รู้กายอย่างที่กายมันเป็นให้รู้จิตอย่างที่จิตมันเป็น ไม่ได้ไปบังคับมันให้นิ่งๆให้มันแข็งๆ ง, นะงั้นสิ่งแรกนะที่ฝากให้พวกเราไปก็คือไปฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ให้ได้ผู้รู้นะัไม่เผลอไปตามกิเลสไม่เพ่งบังคับไว้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีเบิกบานด้วยนะมีเบิกบานอยู่ในตัวเองถัดาจากนั้นเจริญปัญญาอย่าเป็นผู้รู้แล้วก็จบอยู่ที่เป็นผู้รู้ยังไม่ไดเ้เริ่มเจริญปัญญาเลยนะ เป็นผู้รู้เพื่อจะเป็นจุดตั้งต้นในการเจริญปัญญาเวลาเจริญปัญญานะั้นดูกายลงปัจจุบันถ้าดูจิตดูจิตที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนร้อดูไม่เหมือนกันนะดูจิตลงปัจจุบันไม่ได้นะเช่นจิตมันกาลังไปดูรูปในขณะที่จิตไปดูรูปนะั้นะเราจะรู้ว่าจิตไปดูรูปไม่ได้นะเพราะขณะนั้นอารมณ์ของจิตคือรูปไม่ใช่อารมณ์ของจิตคือจิตดวงก่อน การดูจิตนี่ดูตามหลังตลอดเลยแต่ตามกระชันชิดเช่นจิต ด, ดวงหนึ่งโกรธเกิดจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าดวงตะกี้โกรธคนละดวงกันนะงั้นดูจิตเนี่ยเป็นปัจจุบันสัน ต, ติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันถ้าดูกายนะเป็นปัจจุบันขณะขณะนี้เลยนะคนละแบบกันนะสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษานะแล้วเราก็ามาเรียนต่อนะวันนี้สอนได้แค่จิตศิก ข, ขานะ เชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับท่วง